พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ชื่อมัชชิมะนิกายมัชชิมปัญ น, นาตเป็นสุดตันตะปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม13านี้ยังอยู่ในประเภทมัชชิมะนิกายคือพระสูตรขนาดปานกลางไม่ยาวและไม่สั้นเกินไปได้กล่าวแล้วว่าสูตรขนาดกลางมีสามเล่มได้แก่เล่มสิองคือมัชชิมนิกายมูลปัญ น, นาด หมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนต้นหรือเป็นมูลเล่ม13าคือเล่มนี้มัชชิมะนิกายมัชชิมะปัญ น, นาตหมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนกลางส่วนเล่ม14คือมัชชิมะนิกายอุปริปัญ น, นาตหมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนปลายเฉพาะเล่มนี้มีห้าสิบสูตรมีห้าวรักละสิบสูตร แต่มีที่สังเกตได้ง่ายคือเล่มนี้แบ่งวร์เป็นเรื่องบุคคลทั้งสิ้นกล่าวคือวร์ที่หนึ่งชื่อขหะปฏิวร์ว่าด้วยคฤรหะบดีคือผู้ครองเรือนวร์ที่สองชื่อพิกขุวร์กว่าด้วยภิกษุวร์ที่สาชื่อปริพาชกวร์กว่าด้วยปริพาชกหรือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งวร์ที่สี่ ชื่อราชวัคว่าด้วยพระราชาละวัคที่ห้าชื่อพราหมณวัคว่าด้วยพราหมณ์ขึ้นวัคที่หนึ่งขหปฏิวัคว่าด้วยเขเรหาบดีมีสิบสูตรพระสูตรที่หนึ่งกันธรากาสูตรสูตรว่าด้วยกันธรากาบริภาชกพระผู้มีพระภาคประทรับหนฝั่งสระน้ําชื่อคัคคราใกล้กลุ่มจำปา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่บุตรแห่งนายควานช้างชื่อเปตสะและบริพาชกชื่อกันธรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคบริพาชกชื่อกันธรกะกราบทูลสรนเสริญว่าส่งควบคุมพระสงฆ์ได้ดีเพราะเห็นภิกษุสงฆ์เป็นผู้นิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรับว่าเป็นจรงิงเพราะในภิกษุสงฆ์นี้มีพระอรหันต์ขีนาศพ ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบมีพระเสขะคือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาคือยังไม่บรรลุอรหัตผลมีผู้มีศีลมีความประพฤติสงบระงับมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่บุตรนายควานช้างชื่อเปสะกราบทูลสันเสริญว่าทรงบัญญัติสติปัฏฐานสี่ไว้ดีมาก ตนเองเป็นคารืหัดนุ่งผ้าขาวยังเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นครั้งคราวเป็นการน่าอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคทรงทรางประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อป่าชัดคือมนุษย์กากขยะคือมนุษย์และความโอ้อวดของมนุษย์เป็นไปอยู่อย่างนี้แล้วได้แสดงความคิดเห็นต่อไปว่ามนุษย์เป็นเหมือนป่าชัดคือรกและดูยาก แต่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ตื้นคือเปิดเผยดูง่ายตนสามารถทำช้างฝึกให้ไปได้ตามต้องการช้างยอมแสดงความดือ้อความโกงความงอความคดให้ปรากฏส่วนพวกที่เป็นทาตเป็นคนรับใช้เป็นกรรมกรพฤติการทางกายอย่างหนึ่งทางวาจายอย่างหนึ่งแต่จิตใจไปอีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่ามนุษย์เป็นผู้เสมือนรลกชัดคือดูยากส่วนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ตื้นจริงคือเปิดเผย ด, ดูง่ายแล้วตรัสถึงบุคคลสประเภทที่มีอยู่ในโลกคือ 1. นึ่ทำตัวเองให้เดือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทำตนเองให้เดือดร้อน 2. องทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบหนึ่งเนืองในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน3ทํทำตัวเองให้เด <ร Liberty. S 2> e ือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย4ไม่ทำทั้งสองอย่างนั้นซึ่งเป็นผู้หมดความกระหายดับเย็นในปัจจุบัน แล้วตรัสถามว่าบุตรนายควานช้างชอบบุคคลประเภทไหนบุตรนายควานช้างตอบว่าชอบใจบุคคลประเภทหลังเมื่อตรัสถามถึงเหตุผลก็กราบทูลว่าทั้งตนและผู้อื่นก็ใครสุกเกลียดทุกตนจึงชอบใจพวกที่ไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วได้กราบทูลลากลับ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าบุตรนายควานช้างชื่อเปสะจะนั่งอยู่สักครู่จนกว่าเราจะอธิบายแจกบุคคลสี่ประเภทนี้โดยพิสดารก็จะได้ประโยชน์อย่างใหญ่แต่แม้เพียงเท่านี้ก็ได้ประโยชน์ใหญ่แล้วภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงแจกอธิบายโดยพิสดารจึงตรัสว่าหนึ่ง พวกทําตนให้เดือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทําตนให้เดือดร้อนได้แก่พวกถือวัดหรือข้อปฏิบัติในการเปลือยกายในเรื่องอาหารทรมานตน 2. พวกทําผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนได้แก่พวกปรานพวกผู้คุมเรือนจําซึ่งสมัยก่อนมีหน้าที่ลงโทษทรมานต่างๆด้วย หรือพวกประกอบกรรมอันโหดร้ายอื่นๆ 3. พวกที่ทำทั้งตนให้เดือดร้อนทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนได้แก่บุคคลบางคนเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษหรือพระมหาศารที่สร้างเรือนโถงขึ้นใหม่โกนผมโกนหนวดนุ่งหนังเสือบูชาไฟทำให้สัตว์ต่างๆถูกฆ่าบูชายันธาตุและกรรมกร ก็ถูกลงโทษร้องไห้ทำการงานในยันยะพิธีสำหรับพิธีมูรธาพิเศษคือพิธีรดน้ำบนศรีรษะเสวยราชเฉพาะพระราชาที่เป็นใหญ่แต่พระราชาเมืองขึ้นซึ่งได้รับมอบหมายให้ครองราชไม่ปรากฏพิธีมูรธาพิเศษจึงเรียกปาชัญญะสี่ พวกที่ไม่ทำทั้งตนทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนคือผู้ออกบวชประพฤติปรงมจรยตตั้งอยู่ในศีลสมาธิได้ฌานสามมีญาณอันธรรมอสวะให้สิ้นเป็นที่สุด